ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นเวินยะสังหะอัตตกถาพระสารีบุตรมหาเถระชาวสีลังการจนาพระมหาอาคมธรรมะขะโมยแปลเรื่องที่แปดอธิฐานวิกัปะวินิชยกถาต่อส่วนในการวิกัปมีเว้นฉดังต่อไปนี้ วิกัพมีสองอย่างคือหนึ่งวิกัพต่อหน้าสองวิกัพรับหลังถามว่าวิกัพต่อหน้าเป็นอย่างไรตอบว่าเพิกศูพึงทราบความที่จีวรมีผืนเดียวหรือมากผืนและทราบว่าจีวรวางไว้ใกล้หรือมีได้วางไว้ใกล้ก็คืออยู่ในหัตบาทหรือว่าอยู่นอกหัตบาทแล้วกล่าวว่าอิมางจีวรังจีวรผืนนี้บ้างว่าอิมานิจีวรานิจีวรเหล่านี้บ้าง ว่าเอตังจีวรังจีวร น, นั่นบ้างว่าเอตานิจีวรานิจีวรเหล่านั่นบ้างแล้วพึงกล่าวว่าตุยหังวิกับเตมิข้าพเจ้าวิกับแก่ท่านดังนี้นี้เป็นวิกับต่อหน้าประการหนึง่งด้วยการวิกับเพียงเท่านี้จะเก็บไว้สมควรอยู่จะใช้สอยจักรละหรือว่าจะอธิษฐานไม่ควรแต่เมื่อพิจุนั้นพิจุผู้รับวิกากล่าวคาว่า ไม่หังสันตการไมหังสันตการนิปริพุญชวาวิสัชเชหิวายถาปัจจะยังวากโรโหิแปลว่าท่านจงใช้สอยจงจำนาจงกระทาต า, ตามสมควรแก่ปัจจัยซึ่งจีวร น, นี้หรือจีวร อ, อันเป็นของขับเจ้าเหล่านี้เถิดดั น, นี้ชื่อว่าปัจจุทรคือถอนวิกับจำเดิมแต่นั้นแม้การใช้สอยเป็นต้นย่อมสมควร อีกในหนึ่งพิกษุทราบความที่จีวรมีผืนเดียวหรือว่ามากผืนและทราบว่าวางไว้ใกล้หรือว่ามิได้วางไว้ใกล้อย่างนั้นนั่นแหลและกล่าวว่าอิมังจีวรังหรือว่าอิมานิจีวรานิดังนี้ว่าเอตังจีวรังหรือว่าเอตานิจีวรานิดังนี้ในสำนักของพิสษุ น, น, นั้นนั่นแหละระบุชื่อสาธรรมิกห้ารูปใดรูปหนึ่ง คือผู้ใดผู้หนึ่งที่ตนชอบใจแล้วพึงกล่าวว่าติสัสสะทิคุโนวิกัปเปมิข้าพเจ้าวิกัปแก่พิโุชื่อติสสะหรือติสายะภิคุนิยาติสายะสิกขมานายะติสัสสะสามเนรัสสะติสายะสามเนริยาวิกัปเปมิข้าพเจ้าวิกัปแก่ติสสาภิโตนีแก่ติสสาสิกขมานาแก่ติสสะสามเนิน แกติดสาสามเนรีดังนี้นี้เป็นวิกัปต่อหน้าอีกประการหนึ่งด้วยการวิกับเพียงเท่านี้จะเก็บไว้สมควรอยู่แต่ในการใช้ฝอยเป็นต้นกิดแม้อย่างหนึ่งย่อมไม่ควรแต่เมื่อพิษุนั้นกล่าวคำว่าติดสา พ, พิโกโนสันตะกัางข้อความละ ตาาิสายะสามนเณริยาสันตการปริพุนชาวาวิสัชเชหิว า, ว า, วายะถาปัจยยางวากะโรหิตจีวร น, นี้ของพิจุชื่อติสาหรือว่าของทิษุนีชื่อติสาของสุขมานาชื่อติสาของสามนเณรชื่อติสาหรือว่าของนางสามนเนรีชื่อติสาเนี่ย ท่านจงบริโภคก็ตามจงจำหน่ายก็ตามจงกระทำตามสมควรแก่ปัจจัยก็ตามดังนี้ชื่อว่าเป็นอันถอนจำเดิมแต่นั้นแม้การใช้สอยก็ได้การใช้สอยเป็นต้นแต่ใช้สอยหรือว่าจำสละหรือว่าจะอดีฐานก็สมควรทั้งนั้นถามว่าการวิกักรับหลังเป็นอย่างไรตอบว่าพิสุพึงทราบว่าจีวรมีผืนเดียวหรือว่ามากผืน และจีวรวางไว้ใกล้หรือว่าไม่ได้วางไว้ใกล้หเหมือนอย่างนั้นแล้วกล่าวว่าอิมังจีวรังซึ่งจีวร น, นี้หรืออีมานิจีวารานิซึ่งจีวรทั้งหลายนี้ว่าเอตังจีวรังซึ่งจีวร น, นั่นหรือเอตานิจวนนีวรานิซึ่งจีวรทั้งหลายนั้นดังนี้แล้วกล่าวว่าตุยหังวิกัปปนัตฐายะดำมิข้าพเจ้าให้แก่ท่านเพื่อประโยชน์แก่การวิกัปอันนี้ก็ให้คนอื่นวิกัปให้ ใกความวิกัพรับหลังที่สุผู้รับวิกัพนั้นพึงกล่าวว่าใครเป็นมิตรหรือว่าเป็นเพื่อนเห็นหรือเป็นเพื่อนคบกันของท่านลําดับ น, นั้นที่สุผู้วิกัพนอกนี้จึงกล่าวว่าทิกสุชื่อติดสาหรือว่าทิกษุณีชื่อติดสาสิกขามนาชื่อติดสาสมมเณีชื่อติดสาหรือสมัมมณีรีชื่อติดสาเนี่ยนะโดยในก่อนนั่นและที่สุผู้จะถอนวิกัพนั้นพึงกล่าวอีกว่า แต่ถึงพิสูบที่วิกัพให้นะก็กล่าวว่าอาหารติดสัสสะี่คุโนดมัมมิข้าพเจ้าให้แก่พิจุชื่อติดสะนะหรือว่าอาหารติดสายาสัมเนริยาดมัมมิข้าพเจ้าให้แก่สัมเนรีชื่อติดสาดังนี้อย่างนี้ชื่อว่าวิกัพรับหลังในการวิกัพเพียงเท่านี้การเก็บไว้สมควรอยู่ส่วนในการใช้สอยเป็นต้นจิจแม้อย่างเดียวก็ไม่สมควร แต่เมื่อพิกษตนั้นกล่าวว่าอิถันนามัสะพิกุโนสันตการปริพุนชาวาวิสัชเชหิวายถ า, าปัจจยังวากะโรหิจีวรของภิกษุชื่อนี้คือจะเป็นของติดสัพพิสุหรือว่าติดสัิกิุนีก็ตามท่านจงใช้สายก็ตามจงจําหน่ายก็ตามจงทําตามสมควรแก่ปัจจัยก็ตามโดยในดังกล่าวแล้วในวิกัปต่อหน้าอย่างที่สองนั่นแลชื่อว่าเป็นอันถอน จำเดิมแต่ถอนแล้วนั้นแม้จิตทั้งหลายมีการใช้สานเป็นต้นก็ควรตกลงวิกับมีสองอย่างคือวิกัปต่อหน้ากับวิกัปรับหลังวิกัปต่อหน้าก็มีสองอย่างก็คือวิกัปเองกับวิกัปแล้วก็บอกชื่อของสาธมิตรผู้ใดผู้หนึ่งกับผู้ที่เราไปวิกัปส่วนวิกัปรับหลังก็ให้ที่สุที่เราไปวิกัปนี่แหละเขาวิกกัปให้โดยบอกชื่อเพื่อนสาธมิตรของเราให้เขาวิกัปว่าเขาให้ใคร ติดสะติดสาทิกุนิยอะไรพวกนี้ถามว่าการวิกับทั้งสองอย่างต่างกันอย่างไรตอบว่าในการวิกับต่อหน้าภิกษุวิกับเองแล้วให้คนอื่นถอนได้ในวิกับรับหลังภิกษุให้คนอื่นวิกับแล้วก็ให้คนอื่นนั่นเองถอนนี่เป็นความต่างกันเวลาจะถอนนี่ก็ให้คนอื่นถอนทั้งนั้นแหละแต่ว่าเราวิกับเองก็เรียกวิวกับต่อหน้าจะวิกัพ เฉยๆหรือว่าวิาวกับบอกชื่อใครคนใดคนหนึ่งก็ได้เี็สองอย่างนะวิกับต่อหน้าแต่วิกับรับหลังให้พระวิสุที่เราที่จะเป็นคนถอนที่เราเนี่ยเขาวิกลบให้ด้วยเลยและเวลาต้องการจะใช้จีวรนั้นก็ให้เขาถอนให้ด้วยอันนี้ก็เป็นประโยชน์ก็คือว่าเมื่อมีผ้าพเพิ่มขึ้นก็จะเก็บไว้คือไม่อธิษฐานเนี่ยนะเพราะว่าถ้าอธิษฐานแล้วต้องใช้เป็นจีวรประเภทนั้นไปไม่อธิษฐานก็เหลือสิบวันเป็นอัตเดตจีวร แต่ว่าถ้าเก็บไว้ให้นานกว่า น, นั้นก็ต้องบอกให้คนอื่นรู้เพื่อที่จะได้ป้องกันความมาักๆคนอื่นก็จะได้รู้ว่าเรามีผ้าเพิ่มขึ้นแล้วเราก็จะได้มีการสำรวมระวังว่าไม่ควรจะเก็บไว้มากในจวท่านกลายเป็นคลังผ้าส่วนเรื่องวิกับทั้งสองนี้ก็ถ้าวิกับแก่ผู้ใดผู้นั้นไม่ฉลาดในพระบัญญัติไม่รู้จะถอนเพึ่งถือจีวร น, นั้นไปยังสานักศามิกอื่นผู้ฉลาด วิกลับใหม่แล้วพึงให้ถอนก็ถ้าเกิดไปวิกับกับคนไหนเขาก็ถอนไม่เป็นด้วยนะถอนไม่เป็นแต่คนจริงแล้วก็สอนให้เขาถอนก็ได้นะแต่มาถ้าเขาไม่ฉลาดจริงๆก็ให้เอาไปวิกับกับพระรูปอื่นที่ฉลาดสาธมิตที่ฉลาดเนี่ยววิกัพนะวิกลับได้กับสาธมิตรทั้งห้าเลยแล้วก็ให้เขาถอนให้นี่ชื่อว่าการวิกับบริขารที่วิกับแล้วควรอยู่แล้วก็คือแม้วิกับไปครั้งหนึ่งแล้วแต่ว่าเขาถอนไม้เป็น ก็เอาไปวิกัปใหม่ก็ได้นะแล้วก็ให้ก็ถอนพึงทราบในแห่งการอธิษฐานและวิกัปชีวรเพียงเท่านี้แลส่วนในเรื่องบาศมีนดังต่อไปนี้เทกสูผู้จะอธิษฐานบาศพึงอธิษฐานบาศ ท, ที่ประกอบด้วยประมาณเท่านั้นแห่งบาศอย่างใหญ่อย่างกลางและอย่างเล็กอย่างใดอย่างหนึ่งประมาณแห่งบาศนั้นได้กล่าวไว้แล้วในพระบาลีโดยในายเป็นต้นว่าย่อมจุเข้าสุก ได้กึ่งอะอาละหกะดังนี้ในเรื่องนี้มีความวินิจฉัยดังต่อไปนี้อันนี้ก็อยู่ในปัตตวัคนะอธิษถาในปัตตวัคสิกขาบทเรื่องการขอบทตรวทองบาตรโจดิจริกบาทเกินสิบวันเนี่ยพึงเอาเข้าวสารแห่งข้าวสาลีเก่าซึ่งเก็บไว้แรมปีที่ไม่หักซึ่งซ้อมบริสุทธิ์ดีซ้อมบริสุทธิ์ดีแล้วเนี่ยนะสองแล่ง แล้งหนึ่งนี้เท่ากับสี่ไฟมือหรืว่าสี่ไฟมือครึ่งเนี่ยมันก็สองแล้งก็เท่ากับแปดไฟมือก็เอาสองแล้งมาพดนะหุงให้เป็นข้าวสุก ด, ด้วข้าวสารเหล่านั้นไม่ต้องเช็ดน้ําเลยสมัยนี้ก็ใช้ม่วงข้าวไฟฟ้าหุงนั่นแหละไม่ต้องเช็ดน้ําไม่เป็นข้าวท้องเลนไม่แฉะไม่เป็นก้อนสละสลวยดีเช่นกับ กองดอกมะลิตูมในหมอ้อแล้วบรรจุลงในบาตรไม่ให้เหลือเลยสองแหล่งข้าวสุกข้าวสาลีนี่นะสองแหล่งมะคตพึ่งใส่แกงถั่วที่ปรุงด้วยเครื่องปรุงทุกอย่างไม่แค่นนักไม่เหลวนักพอมือหยิบได้ลงไปไม่ก่อนเขาชอบบริโภคหรือว่าฉันข้าวกับแกงถั่วสูปั๊สูปัป๊แกงถั่ว ประมาณเท่าส่วนที่สี่แห่งข้าวสุกนั้นส่วนที่ 4, สี่ข้าวสุกก็หมายถึงว่าข้าวสุกเนี่ยนะที่สองแหล่งมาคดเนี่ยแบ่งออกเป็นสี่ส่วนแต่ว่าใส่แกงถั่วลงไปเนี่ยเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสี่ของข้าวสุกนั้นก็เลยกลายเป็นห้าส่วนเลยนะกลายเป็นห้าส่วนแต่นั้นจักเพิ่มกับข้าวมีปลาเนื้อเป็นต้นลงไปสมควรแจกคําข้าเป็นคำคำจนเพียงพอกับ ข้าวคำสุดท้ายส่วนในไใสน้ามันเปรีย่ยนและนำข้าวเป็นต้นไม่เข้าถึงการนับ ก, ก็ของเหล่านั้นมีคติอย่างเข้าวจกนั่นเทียวไม่อาจเพื่อจะให้ยุบลงและไม่อาจจะให้ผูนขึ้นได้อาหารที่บรรจุลงอย่างนี้แม้ทั้งหมดนั่นถ้าตั้งอยู่เสมอแนวล่างแทนคอปากบาดเมื่อเอาเส้นได้หรือไม้ตีกหรือเส้นตาเนี่ยปานไป ถูกที่สุดภายใต้เส้นได้หรือไม้ซีกนั้นคือของในบาตมีข้าวสุกที่หุงด้วยข้าวสารสองแล้งถูกที่สุดเบื้องล่างแห่งได้หรือเส้นตาลของบุคคลผู้ตัดด้วยได้หรือเส้นตาลบาตนี้ชื่อว่าบาตขนาดใหญ่แต่ว่าเป็นขนาดใหญ่อย่างกลางจะตกลงข้าวสุกข้าวสารเนี่ยสองแล้งเอามาหุงเป็นข้าวสุกแล้วก็ใส่สูบ ป, ปะไปทั้งหมดจหนึ่งสนสี่ของข้าวสุกนั้น กับข้าวก็เพิ่มเข้าไปก็จัดได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งนั่นแหละแล้วก็กลายเป็นหกส่วนอย่างประมาณจะต้องไปลองหุงจริงๆอันนี้ถ้าเกิดอาหารเนี่ยมันถูกเบ้างล่างของเส้นตาลหรือว่าได้ก็บาสนี้ก็จัดว่าเป็นบาสขนาดใหญ่อย่างกลางถ้าของในบาสนั้นพูนเป็นจอมเลยแนวขอปากบาสนั้นขึ้นมาบาสนี้ชื่อว่าบาสขนาดใหญ่แต่ว่าเป็นอย่างเล็กนะ พรว่ามันคูณขึ้นมาเกินเกินขอบปากขึ้นมาถ้าของในบาทนั้นไม่ถึงแนวขอบปากบาทคล่องอยู่ภายในเท่านั้นบาทนี้ชื่อว่าเป็นบาทขนาดใหญ่ยางใหญ่ก็เป็นบาทใหญ่ถ้าเอาข้าวสองแล้งเน่ยนะข้าวสารสองแล้งมาหุงแล้วก็สูปะส่วนหนึ่งในเส้นหนสี่แล้วก็พวกกับข้าวอะไรต่งตางๆผักของเคี้ยวต่งตางๆนี่ใส่ลงไปแล้วก็ มันพูนขึ้นมาอย่างนี้ก็ถ้าเสมอแนวขอปักบาทไม่ถูกเส้นได้ที่เอามาตัดหรือว่าไอเส้ตนตันเอามาตัดนี่ก็เป็นขนาดใหญ่อย่างกลางถ้าเลยขึ้นมาก็แสแดงใใสว่าเป็นบาทขนาดใหญ่อย่างเล็กถ้าพล่องอยู่ในบาทก็แสดงว่าเป็นบาทขนาดใหญ่ย่าใหญ่บาทที่จุได้ประมาณกึ่งหนึ่งจากบาทใหญ่ขนาดกลางนี้ <favourite. S 1> ชื่อว่าบาทขนาดกลางแล้วก็เป็นอย่างกลางด้วยเอาเครื่งหนึ่งก็หมายถึงข้าวสารแร่หนึ่ง แล้วก็ไปหงแล้วก็ตูปะก็ครึ่งหนึง่ขงของขบเคี้ยวต่างๆก็ครึ่งหนึง่งกึ่งหนึ่งจากอาหารที่บรรจุในบาตขนาดใหญ่อย่างใหญ่แบบกลางเนี่ยนะถ้าเอาบรรจุแล้วก็เป็นบาตขนาดกลางอย่างกลางบาต ท, ที่จุได้ประมาณกึ่งหนึง่งจากบาตขนาดกลางอย่างกลางชื่อว่าบาตขนาดเล็กถ้าจุได้ครึ่งหนึง่ง จากบาดขนาดกลางอย่าง ก, กลางนี้ก็เป็นบาดขนาดเล็กเพราะฉะนั้นถ้าพิสุใส่อาหารทั้งกปวงมีข้าวสุกหนึ่งแล่งเป็นต้นโดยแล่งแห่งมังคตตั้งอยู่เสมอขอบล่างตามในดังกล่าวแล้วบาดนี้ก็ชื่อว่าบาดขนาดกลางอย่างกลางถ้าพูนเลยขอบบาดนั้นบาดนี้ก็ชื่อว่าเป็นบาดขนาดกลางอย่างเล็กถ้าไม่ถึงขอบนั้นต้องอยู่ภายในเท่านั้นบาดนี้ก็ชื่อว่าบาดขนาดกลางอย่างใหญ่ ถ้าพิจูใส่อาหารทั้งปวงมีข้าวสุกที่หุงด้วยข้าวสารกึ่งแล่นอันนี้ก็เป็นมาตราเทียบบาทนะว่าถ้าบาทขนาดใหญ่ใช้ข้าวสารสองแล่นะแล้วก็พวกสูบ ป, ปาส่วนหนึ่งในสี่ตัวแล้วก็พวกกับแกงพวกกับข้าวของขบเคียต่างๆแต่ถ้าอะจะวัดขนาดบาทขนาดกลางก็ใช้ ข้าวสารหนึ่งแล้งแล้วก็อาหารสูปะอะไรก็อพอเหมาะสมลดลงมาครึ่งหนึ่งแต่ถ้าเกิดจะวัดขนาด ข, าดของบาดอย่างเล็กก็ใช้ข้าวสารกึ่งแล้งเป็นต้นโดยแล้งมะคตตั้งอยู่เสมอรอยขอบล่างบาดนี้ก็ชื่อว่าบาดขนาดเล็กอย่างกลางถ้าพูนเลยขอบนั้นไปก็บาดนี้ก็ชื่อว่าบาดขนาดเล็กอย่างเล็กถ้าไม่ถึงขอบนั้นพร่องอยู่ภายในเท่านั้นบาดนี้ก็ชื่อว่าบาดขนาดเล็กอย่างใหญ่ บาตก็เลยมีเก้าอย่างด้วยประการชนิดแลในบรรดาบาตเหล่านั้นบาตรสองชนิดคือบาตขนาดใหญ่อย่างใหญ่และบาตขนาดเล็กอย่างเล็กไม่จัดว่าเป็นบาตเพราะฉะนั้นที่สุควรใช้สอยบาตเหล่านั้นโดยการใช้สอยอย่างภาชนะอธิษฐานไม่ขึ้นวิกัพก็ไม่ขึ้นด้วยถ้าบาตใหญ่เกินไปหรือว่าบาตเล็กเกินไปตามที่เอามาจัดทําอย่างนี้แล้วบาตขนาดเล็กอย่างเล็กกับบาตขนาดใหญ่อย่างใหญ่ สองชนิดนี้ไม่ชื่อว่าเป็นบาทก็ควรจะใช้ได้เหมือนการแต่ว่าใช้เป็นพวกบริฐานเป็นภาชนะไปและสอยสอย่างภาชนะไอ้ฐานีก็ไอ้ฐานไม่ขึ้นด้วยวิกัปเราวิกัปไม่ขึ้นด้วยแต่ว่าบาทรเจ็ดชนิดนั้นเป็นบาทที่ควรอธิฐานและวิกัปได้ควรจะออ้ฐานหรือว่าวิกัป บ, บาทรเจ็ดชนิดเราใช้สอยเพึงทราบว่าที่บาตเหล่านั้น ได้ขนาดสำหรับอิฐานและวิกับด้วยประการชนิ้บานเหล็กระบมแล้วด้วยการระบมห้าไฟบาดดินระบมแล้วด้วยการระบมสองไฟจึงควรอธิษฐานแต่ในดีกาสารัตถทิปนีก็แสดงว่าแม้จะระบมครั้งเดียวเนี่ยส่าสีดำก็ไม่มีแวววาวอะไรต่างๆแล้วก็ใช้ได้เพราะว่าบาดปัจจุบันนี้ก็เป็นบาดสเตนเลดก็ไม่ขึ้นสนิม นายก่อนเป็นบาตเหล็กจริงๆเพรา ะ, ะนั้นถ้าระบมไม่ถึงห้าไฟก็สนินก็กินเหล็กได้บาทั้งสองชนิดเมื่อให้มูลค่าที่ควรให้แล้วนั่นแหลถ้าระบมยังหย่อนอยู่แม้เพียงหนึ่งไฟหรือยังไม่ได้ให้มูลค่าแม้เพียงกากัะนิดหนึ่งไม่ควรอธิษฐานถ้าเจ้าของบาตกล่าวว่าท่านจงให้ในเวลาท่านมีมูลค่าท่านจงอธิษฐานใช้สอยเถิดดังนี้ ก็ยังไม่ควรอธิษฐานแท้ถ้ายังให้ค่าบาทไม่หมดก็ไม่ควรอธิษฐานหรอกเพราะว่ายังไม่ได้เป็นของตนจริงอยู่เพราะการระบมยังหย่อนอยู่ยังไม่ถึงการนับว่าเป็นบาทอันนี้ก็น่าพิจรนารณาเพราะว่าทำไมดีกาท่านถึงบอกว่าให้ระบมครั้งเดียวก็ใช้ได้แต่ว่าอัตถฐานบอกว่าต้องห้าไฟอะ่ะถ้าย่อนอยู่ไฟหนึ่งก็ไม่ควรอธิษฐานหรือว่าย่อนอยู่ ไฟเดียวก็ยังไม่จัดว่าเป็นบาทไม่ถึงการนับว่าเป็นบาตเพราะยังให้เพราะยังไม่ได้ให้มูลค่าทั้งหมดหรือยังไม่ได้ให้อีกส่วนหนึ่งจึงไม่จัดว่าเป็นบาทของตนยังจัดว่าเป็นของผู้อื่นอยู่ทีเดียวเพราะฉะนั้นเมื่อระบมและเมื่อให้มูลค่าเสร็จแล้วนั่นแลจึงเป็นบาทควรอธิษฐานบาทใบที่ควรอธิษฐานเท่านั้นจึงควรวิกับ บาตรนั้นจะมาถึงมือแล้วหรือยังไม่มาถึงมือก็ตามควรอดิฐาหรือว่าควรวิกัไว้เสียถ้าว่าช่างบาตรได้เงินตามมูลค่าแล้วหรือเป็นผู้ประสงค์จะถวายเองกล่าวว่าท่านขอรับผมจักทําบาตรถวายท่านระบมแล้วในวันชื่อนูนจับเก็บไว้และพิกจุให้ร่วมสิบวันไปจากวันที่ช่างบาตรนั้นกําหนดไว้เป็นนิสักิยาปจิตตีแม้ว่ายัางไม่เลย ม, มาถึงมือของตนแต่ว่าเขาบอกว่า ทำเสร็จแล้ววันนั้นแล้วจะถวายวันนั้นก็นับวันไปได้เลยต้องไม่เกินสิบวันถ้าช่างบาตรกล่าวว่าผมจัดทาบาตรถวายท่านระบมแล้วจะส่งข่าวมาให้ทราบแล้วทําเหมือนอย่างนั้นส่วนพิสุผู้ที่ช่างบาตรนั้นวานไปไม่บอกแกพิสุนั้นเตียกตัอื่นเห็นหรือได้ยินจึงบอกว่าท่านขอรับบาตรของ ท, ท่านเสร็จแล้วการบอกของพิสุนั่นไม่เป็นประมาณแต่ในเวลาที่พิกษุซึ่งช่างบาตรนั้นวานนั่นแหละบอก เมื่อพิกสุให้ล่วงสิบวันไปจำเดิมแต่วันที่ได้ยินคำบอกกล่าวของพิสุนั้นเป็นนิสักียาปจิตตีอันนี้ก็เหมือนกับจีวรเหมือนกับจีวรที่เขาส่งไปถวายฝากพระพิสุมาถ้าช่างบาดกล่าวว่าผมจะทาบาดถวายท่านระบมแล้วจะส่งไปในมือของพิกษุบางรูปแล้วกระทาตามพูดนั้นแต่พิสุผู้รับบาดมาเก็บไว้ในบริเวณของตนแล้วไม่บอกแกเธอ ทพิสุอื่นบางรูปกล่าวว่าท่านขอรับบาตรที่เพิ่งได้มาใหม่สวยดีบ้างไหมเธอกล่าวว่าคุณบาตรที่ไหนกันพิสุบางรูปนั้นกล่าวว่าช่างบาตรส่งมาในมือของพิสุชื่อนี้ถ้อยคำของพิสุแม่นี้ก็ไม่เป็นประมาณตั้แต่วันที่เธอได้บาตรแล้วหมายถึงช่างบาตรฝากมาให้เนี่ยนะเมื่อเธอให้ล่วงสิบวันไปเป็นนิสกิยาปิจิตี ราฉะนั้นพิจุไม่ควรให้ล่วงสิบวันพึงอธิษฐานหรือพึงวิกับเสียบรรดาการอธิษฐานและวิกับนั้นการอธิษฐานบาทก็มีสองอย่างก็คือหนึ่งอธิษฐานด้วยกายสองอธิษฐานด้วยวาจาพิจุเมื่อจะอธิษฐานด้วยอำนาจแห่งการอธิษฐานสองอย่างนั้นพึงปัจจุดธรบาทเก่าที่ตั้งอยู่ต่อหน้าหรือในที่รับหลังอย่างนี้ว่า อิมังปัดตังปัดจุดธารามิแปลว่าข้าพเจ้าถอนบาปใบนี้หรือว่าเอตังปัดตังปัดจุดธารามิแปลว่าข้าพเจ้าถอนบาปใบนั้นแต่ถ้าเกิดบาปเก่ามันหายไปถูกโจรชิงไปก็ไม่ต้องถอนเพราะว่ามันคาดอธิฐานไปแล้วหรือให้แก่พิจูอื่นแล้วแล้วก็เอามือลูบคลำบาปใหม่ที่ตั้งอยู่ในที่แห่งใดแห่งหนึ่งแล้วทําความผูกใจแล้วทำกายยบิการอธิษฐานด้วยกายปว่า อิมังปัตังอธิษฐานิอธฐานในใจหรือว่าจะเปล่งวาจาออกมาก็ได้ไอธฐานด้วยวาจา ว, ว่าอิมังปัตังอธิษฐานิแปลว่าข้าพเจ้าอธิษฐานบาดใบนี้ก็เอามือลูบบาดใบเรียกว่าอธิษฐานด้วยกายในเรื่องการอธิษฐานานั้นไอธฐานด้วยวาจามีสองอย่างการอธิษฐานด้วยวาจาจะมีสองอย่างไอธฐานด้วยกายมีอย่างเดียว ถ้าบาดอยู่ในหัตถบาดพึงเปล่งวาจาว่าอิมางปัดตังอธิษฐานิี้ขัเจ้าอธิษฐานบาดไปนี้ถ้าบาดนั้นอยู่ภายในห้องก็ดีอยู่บนประสาทก็ดีในวิหารใกล้เคียงก็ดีที่สุพึพงกําหนดสถานที่บาดตั้งอยู่และพึงเปล่งวาจาวา่าเอตังปัดตังอธิษฐานิี้ขัเจ้าอธิษฐานบาดไปนั่นก็พิสูจผู้จาอธิษฐานแม้อธิษฐานเพียงรูปเดียวก็ควร แม้จะอธิษฐานในสำนักของพิจุอื่นก็ควรการอธิษฐานในสำนักของพิษุอื่นมีอานิสงส์ดังต่อไปนี้ถ้าเธอเกิดความเคลือบแคลงว่าบาตของเราอธิษฐานแล้วหรือไม่หนอดังนี้อีกรูปหนึ่งก็จักเตือนให้นึกได้ตัดความสงสัยเสียได้สําหรับคนที่ลืมคนที่ลืมนี่ก็อาจจะหลงหลงลืมลืมเพราะฉะนั้นถ้าไปอธิษฐานในสำนักของพิษุอื่นพิจุนั้นก็สามารถที่จะเตือนตนเองได้ว่าได้อธิษฐานไว้แล้ว ถ้าพิสูจู์เปรูปได้บาดมาสิบใบตนเองประสงค์จะใช้สอยทั้งหมดทีเดียวอย่าพึงอธิษฐานทั้งหมดอธิษฐานบาดใบหนึ่งแล้ววันรุ่งขึ้นก็ปัฏจจิธรคือถอนบาดใบนั้นแล้วก็อธิษฐานใบใหม่โดยอุบายนี้อาจจะได้บริหารการคุ้มครองตั้งร้อยปีอันนี้ก็แสดงวิธีการใช้บาดสิบใบบริหารได้ไปถึงร้อยปีแต่ว่าถ้าจริงๆแล้วอธิษฐานแบบนี้ก็รู้สึกว่ามันจะเกินไป ใช้บาตรทั้งสิบใบแต่ก็เป็นไปได้เหมือนกันว่าถ้าเป็นผู้ที่มีบุญมากแล้วก็อุปทากรองมัถวายขอให้ใช้ให้ด้วยนะขอให้ใช้ให้ด้วยวก็อาจจะใช้ไปสักพักหนึ่งแล้วก็เอาถวายกับพระพิจูที่ไม่มีบาตรไปจะได้ไม่ต้องเป็นเครื่องกังวลต้องมาบริหารบาตรทั้งสิบใบถามว่าการขาอดิษฐานพึงมีแ ต, ต่พิจุผู้ไม่ประมาทอย่างนี้ได้เท่านั้นหรือตอบว่าพึงมีได้เท่านี้หาม่ได้ หากว่าพิกตุนี้ให้บาดแก่ภิจุอื่นก็ดีหมุนไปผิดก็ดีหมายถึงว่าเข้ารีบเดียวถีนะบอก่าศิกขาก็ดีกระทามการละก็ดีก็คือตายเพศของเธอกลับก็ดีปาจุดถอนถอนเสียก็ดีบาทมีช่องทะลุก็ดีบาทย่อมขาดอดิษฐานและคำนี้แม้พระอาจารย์ทั้งหลายก็ได้กล่าวไว้ว่าการขาดอดิษฐานย่อมมีได้ด้วยการให้หนึ่ง หมุนไปผิดหนึ่งก็คือข้อที่เดรพีสลาศิขาอันหนึ่งเป็นข้อที่สามทำการละกิริยาคือตายข้อหนึ่งอันที่4ีเทศกลับอย่างหนึ่งอันที่ห้าปาจุดทอนคือถอนเสียอย่างหนึ่งอันที่หกมีช่องทะลุเป็นที่เจ็ดสับกีวรนกีวอวอดิฐานเนี่ยขาดด้วยองค้าขาดด้วยเหตุก้าประการแต่ว่าบาทขาดอดิฐาน คีวอนขาดอธิษฐานด้วยเหตุเก้าอย่างบาปขาดอธิฐานด้วยเหตุเจ็ดอย่างด้วยเหตุเจ็ดอย่างนะแต่ว่าก็มีเหตุอีกเพราะว่าแม้จนลักหรือว่าการถือโดยวิสาสะบาปก็ขาดอธิษฐานเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็เท่ากันเลยก็มีเหตุเก้าอย่างเหมือนกันแหละทําให้ขาดอธิษฐานทั้งชีวรแล้วก็ทั้งบาปแต่ว่าบาปเนี่ยจะขาดอธิษฐานด้วยช่องทะลุเนี่ยประมาณเท่าไหร่ ตาเป็นของจีวรจีวรจะขาดอดีฐานด้วยช่องทะุก็เท่ากับหลังเล็กของนิ้วก้อยต้องม่มีเส้นได้อยู่ในตะหว่ังด้วยอันนั้นก็ทําให้ขาดอดีฐานแต่ของบาปนี้จะขาดอดีฐานด้วยช่องทรุพอมเมล็ดเข้าฟางลอดออกได้ลอดออกได้หรือว่าลอดเข้าได้มเมล็ดเข้าฟางกป็มเม็ด ก, กล ม, กลมจริงอยู่บรรดาธรรมชาติเจ็ดชนิดมเมล็ดเข้าฟางนี้เป็นมเมล็ดธรรมชาติอย่างเล็ก เมื่อช่องนั้นอุดให้กลับเป็นปกติด้วยผงเหล็กหรือด้วยหมุดแล้วพึงอธิษฐานบาทนั้นภายในสิบวันเพราะว่าบาทะลุแล้วก็ตั้งอยู่ในอัจเ ร, รกีวรเกิน1ิวันไปต้องอับัาติมิสกิยาปาิตีแล้วก็อุดแล้วก็อธิษฐานเสียในการอธิษฐานที่ตรัสไว้ในคำว่าอันโตดัสหาหังอธิเทติวิกาเปตินี้มีวนจัยเพียงเท่านี้ก่อน ก็ในการวิกับมีวินิจฉัยนังต่อไปนี้วิกับก็มีสองอย่างคือวิกับต่อหน้าอย่างหนึง่งแล้วก็วิกับรับหลังอย่างหนึง่งวิกับต่อหน้าเป็นอย่างไรคือพิสูุนทราบว่าที่บาทมีใบเดียวหรือหลายใบและววางไว้ใกล้หรือไม่ได้วางไว้ใกล้แล้วก็กล่าวว่าอีมางปัตตังซึ่งบาศนี้ถือว่าอิเมปเตซึ่งบาศเหล่านี้ก็ดี ว่าเอตังปตังซึ่งบาทนั่นหรือว่าเอเตปัเตซึ่งบาทเหล่านั่นก็ดีกล่าวว่าตุยหังวิกับเปมิขับเจ้าวิกับแก่ท่านนี้ชื่อว่าวิกับต่อหน้าอย่างหนึง่งคือวิกับในหัตถบาสจะได้วิกับบาทสนยิยมนอกหัตถบาสจะได้ด้วยวิธีวิกับอย่างนี้เท่านี้จะเก็บไว้ควรอยู่แต่จะใช้สอยจะจําหน่ายหรือจะอธิษฐานไม่สมควร แต่เมื่อพิษุผู้รับวิกับกล่าวอย่างนี้ว่าไมหังสันตังปริพุนชะวาวิศัชเชสิวายะถาปัจจยางวาการโรหิท่านจงใช้สอยจงจำหน่ายหรือว่าจงกระทำตามปรับใจซึ่งบาทนี้อันเป็นของข้าพเจ้าดังนี้ชื่อว่าถอนจำเดิมแต่นั้นแม้การใช้สายเป็นต้นก็ควรอยู่อีกอย่างหนึ่งพิษุทราบว่าบาสมีใบเดียวหรือว่าหลายใบและวางไว้ใกล้หรือว่าวางไว้ ไกลก็คือไม่ใช่วางไว้ใกล้อย่างนั้นเหมือนกันแล้วกล่าวว่าอิมังปัตตังซึ่งบาทนี้หรือว่าอิเมปัเตซึ่งบาป ท, ทั้งหลายเหล่านี้ก็ดีเอตังปัตตังซึ่งบาทนั่นหรือเอเตปัเตซึ่งบาป ท, ทั้งหลายเหล่านั่นก็ดีในสำนักของพิจุนั่นแหละแล้วระบุชื่อแห่งบรรดาสะำมำนิสทั้งห้ารูปใดรูปหนึ่งคือท่านใดท่านหนึ่งที่ตนชอบใจและพึงกล่าวว่า ติสตาภิคุโนวิกับเปมิข้าพเจ้าวิกับแก่พิสุชื่อว่าติสตาดังนี้ก็ดีติสตายะภิคุนิยาติสตายะสิกขามานายะติสตาสำเนรัสตาติสตายะสำเนริยาวิกับเปมิข้าพเจ้าวิกับแก่พิกษุนีชื่อติสตาหรือว่าแก่สิกขมานาชื่อติสตารือว่าแก่สำเนรชื่อติสตะหรือแก่สำเนรีชื่อติสตาดังนี้ก็ดีชื่อว่าวิกับต่อหน้าแม้อีกอย่างหนึ่งคือวิกับ บอกชื่อของศาสตธ ร, รมิกของเราก็ได้ะถือว่าวิกัพโดยไม่ได้บอกชื่อก็ได้เรียกว่าวิกัพต่อหน้าทั้งนั้นด้วยการวิกัพเพียงเท่านี้จะเก็บไว้สมควรอยู่แต่บรรดากิจนิทารใช้สอยเป็นต้นแม้กิจอย่างหนึ่งก็ไม่ทวนแต่เมื่อพิกษุผู้รับวิกัพนั้นกล่าวว่าติส ต, ตาพิคุโนสันตะกลงข้อความละติสายาสัมเนริยาสันตะกลงปริพุนชวาวิกัชเชหิวายะถาปัจยัง ว่าการโรหีบาปนี้ของพิจุชื่อติดสาหรือว่าของพิจุณีชื่อติดสาเศรษฐมนาชื่อติดสาสัมเนีชื่อติดสข า, อ า, สอาของสัมเนรีชื่อติดสาท่านจงใช้สอยก็าตามจงจําหน่อยก็าตามจงกระทําตามปจัจจัยก็ตามดังนี้แล้วชื่อว่าถอนอันนี้ชื่อว่าถอนแล้วจาเดิมแต่นั้นไปก็การบริโภคเป็นต้นสมควรส่วนวิกับรับหลังเป็นอย่างไร คือพิสูจน์ทราบว่าบาดมีใบเดียวหรือว่าหลายใบแล้ววางไว้ใกล้หรือไม่ได้วางไว้ใกล้อย่างนั้นนั่นแลแล้วกล่าวว่าเอมังปัดตังซึ่งบาดนี้หรือว่าอเมปัตเตซึ่งบาดเหล่านี้ก็ดีว่าเอตังปัดตังซึ่งบาดนั่นหรือว่าเอเตปัเตซึ่งบาดเหล่านั้นก็ดีแล้วกล่าวว่าตุยหังวิกับปนัฐฐานะดมิขับเจ้าให้แก่ท่านเพื่อต้องการวิกับดังนี้ ที่สู่ผู้รับวิกนนัพนั้นพึงถามเธอว่าใครเป็นมิตรหรือเป็นเพื่อนเห็นกันของท่านลําดับนั้นที่สู่ผู้วิกัพนอกนี้ก็กล่าวว่าติดโถพิคุพิสุชื่อว่าติดสะหรือว่าติดสาพิกสุนีติดสาสัมเนรีติดสาสิกขานาหรือว่าติดโถสมมเนโรโดยในก่อนนั่นแล ที่สุ น, นั้นพึงกล่าวอีกว่าอาหารติดสัสตาทิกยุคโนโดามิหรือว่าติดสายะสัมเนริยาดามิกับเจ้าให้แก่ภิกตุชื่อติดสาหรือว่ากับเจ้าให้แ ก, ก่สัมเนรีชื่อติดสาอันนี้ชื่อว่าวิกัพรับหลังด้วยการวิกัพเพียงเท่านี้จะเก็บไว้ควรอยู่แต่บรรดากีดมีการใช้สอยเป็นต้นขิดแม้อย่างเดียวก็ไม่ควร เมื่อพิสูุน์นั้นกล่าวว่ายิทัณ น, นามสัสสะสานตการปริพุญชวาวิสัชเชหิวายาถาปัจจยังวางกโรหริบาตนี้ของพิสูุชื่อนี้ท่านจงใช้สอยก็ตามจงจำหน่ายก็ตามจงกระทำ ต, ตามปัจจัยก็ตามโดยในดังกล่าวแล้วในวิกับต่อหน้าอย่างที่สองนั่นและย่อมชื่อว่าถอนจอมเดิมแต่นั้นแม้การจะใช้สอยเป็นต้นก็ควรเึงทราบในในการวิกับนี้แต่เพียงเท่านี้แหล เยสุอธิษฐานและวิกัพแล้วกําลังใช้สายอยู่อย่างนี้เมื่อบาดแตกจะพึงทําอย่างไรบาด ท, ที่ไม่มีรอยร้าวประมาณสององคุรีภายใต้ขอบปากบาดไม่ต้องทําอะไรเลยคือถ้าบาดไม่มีรอยร้าวประมาณสององคุลีคือยังไม่ถึงสององคุลีไม่ถึงสองนิ้วเนี่ยภายใต้ขอบปากบาดก็ยังไม่ต้องทําอะไรยังใช้ได้อยู่ จนบาดได้มีรอยร้าวรอยเดียวเช่นนี้พึงเอาเหล็กเจอกบาด ท, ที่สุดริมล่างของรอยร้าวนั้นระบมและผูกมัดด้วยเชือกได้และเชือกปองเป็นต้นหรือด้วยลวดดีบุกพึงอุดแผลนั้นด้วยแผ่นดีบุกหรือด้วยยางสําหรับติดบางอย่างเพื่อกันไม่ให้อามิตรติดและเพึงอธิษฐานบาดนั้นไว้ใช้เถิดถ้าเกิดมันอยู่ใต้คอปากบาด ไม่ถึงสองนิ้วภายใต้ขอปากบาดลงไปเลยนะยังไม่ต้องขอบาดใหมย่ยังไม่ต้องเปลี่ยนใช้ได้อยู่อันหนึ่งพึ่งผูกทําช่องให้เล็กแต่จะยาด้วยทีพพึ่งคลั่งและยางสนเป็นต้นล้วนๆไม่ควรจะเคี่ยวน้ําอ้อยแล้วยาด้วยผงหินควรอยู่แต่บาด ท, ที่พิกษุเอาเหล็กเจาะ บ, บาดเจาะในที่ใกล้ขอปากบาดจะแตกเพราะแผ่นกระเบื้องดินหนาะอันนี้เป็นบาดดินนะ เพราฉะนั้นจึงควรเจาะข้างล่างแต่สําหรับบาดที่มีรอยร้าวสองแห่งคือรอยร้าวที่เดียวยาวสี่นิ้วพึงให้เครื่องผูกสองแห่งบาดที่มีรอยร้าวสามแห่งหรือว่ามีเพียงแห่งเดียวแต่ยาวถึงหกนิ้วพึงให้เครื่องผูกสามแห่งบาดที่มีรอยร้าวสี่แห่งหรือมีเพียงแห่งเดียวแต่ยาวถึงแปดนิ้วพึงให้เครื่องผูกสี่แห่งบาดที่มีรอยร้าวห้าแห่งหรือมีเพียงแห่งเดียวแต่ยาวถึงสิบนิ้ว จะผูกก็ตามไม่ผูกก็ตามไม่จัดเป็นบาดเลยควรขอบาดใหม่นี้เป็นวิจัย ใ, ในบาดดินก่อนเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีใช้แล้วบาดดินบาดดินนี้จะแตกง่ายเพราะนั้นในพระวินัยนี้จะมีวิธีการรักษาบาดอย่างมากเลยบาดมีอยู่ในมือก็ห้ามเปิดประตูแล้วก็ห้ามวางบาดในที่ที่ไม่สมควรที่มีฝุ่นผงหรือว่าที่ขุะ่ะจะทาลายบาดต่าง ส่วนวิธิใช้ในบาดเหล็กพึงทราบดังต่อไปนี้ถ้าแม้มีช่องทะลุห้าแหมหรือว่าเกินกว่านั้นและช่องทะลุเหล่านั้นอุดด้วยผงเหล็กด้วยหมุดหรือว่าด้วยก้อนเหล็กกลมๆเป็นของเกลีเกลาวควรใช้สายบาดนั้นนั่นแหลไม่ควรขอบาดใหม่แต่ถ้ามีช่องทะลุแม้ช่องเดียวแต่เป็นช่องใหญ่แม้อุดด้วยก้อนเหล็กกลมๆก็ไม่เกลี้ยงเกลาอามิตรติดที่บาดได้เป็นอากาศียะบาดนี้ไม่ใช่บาด ควรขอบาดใหม่ได้อันหนึ่งภิกษุผู้จะขอมีบาดเป็นแผลเพียงห้าแหง่งจะขอบาดใหม่ในที่เขาปรณนาไว้ด้วยอำนาจแห่งสงฆ์สมควรอยู่ถึงมีบาดมีแผลหย่อนห้าแหง่งจะขอในที่ที่เขาปรณนาไว้ด้วยอำนาจแห่งบุคคลก็ควรหรือว่าไม่มีเหตุเลยไปขอบาดกับผู้ที่เขาปรณนาไว้อันนี้ก็ไม่มีอบัตแต่ว่าจะกลายเป็ความมากๆไปเพราะว่าบาดยังไม่ได้แตกเลยจะขอ จะขอกับคนที่ไม่ได้ปรณนาจึงจะมีอบัติเท็กตูได้บาตแล้วเมื่อจะใช้สอยบาตไม่พึงใช้สายบาตโดยการใช้สอยที่ไม่สมควรมีการต้มข้าวต้มและการต้มน้ําย้อมเป็นต้นแต่เมื่อเกิดอาพาธในระหว่างทางเมือ่อภาชนะอื่นไม่มีจะเอาดินเหนียวพอกแล้วต้มข้าวต้มหรือต้มน้ําร้อนควรอยู่ที่เอาดินเหนียวพอกเอาไว้กับเพราะว่าเวลาล้างจะล้างได้สะอาดต้องว่า ขมเหาต่างๆมันจะไปจับที่ดินเหนียวเวลาที่เราเอาบาดนั้นไปแช่ในน้ําเนี่ยดินเหนียวมันก็จะหลุดไปพร้อมกับขมเมาก็เลยทําให้ไม่สกปรกแต่ถ้าไม่ได้เอาดินเหนียวไปฉาบไปพอกเอาไว้นี่ก็ขมเหลามันก็ติดบางทำให้ล้างยากไม่พึงเก็บบาดไว้ในที่ที่ไม่สมควรมีเตียงต่างร่มไม้ฟันหน้าเป็นต้นจริงอยู่โทษในการเก็บบาดพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้แล้วในขันธกะ ด้วยนายเป็นต้นว่าดูกรที่สุดทั้งหลายาเราอนุญาตเชิงรองบาดังนี้กาถาวินิจฉัยเรื่องอธิษฐานและวิกัปในจีวรกับบาทในบาลีมุตตะวินยะวินิจฉัยสังหะจบสาธุสาธุสาธุ